ในมุคนสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออาเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเซวนาแปลความก็ว่า การมาคบคนณพานสันดานหยาบหนการครบบัณฑิตนี่งผู้ประพฤตชอบด้วยกายวาจาใจนี่เอตัมมังคารมุตตังมังท่านว่าเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเห็นรมาคบคนณ่านสันดานหยากนอกๆไปโน่น ون, นั่นก็ถูก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 เป็นแต่เพียงอามาไปคบคนพานภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราครบคนคนพานภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่ครบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งถึงบัดนี้คนพานภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีกิจที่เป็นพานคอยกิดกันคอยฉุดลาก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 พานั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าพานจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติ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 เราก็ยังมีความสนิทกับ่านของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามี่านเราครบกับคน่านคือความคิดการกระทําของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่า่านภายนในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลาง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 ในขณะที่คิดที่ทาที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคนุมผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนผ่านทั้งภายนอกภายในให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงาม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 สิ่งที่ชักยุงให้คนอื่นได้รับความถตกความสบายเป็นความถูกต้องในงามไปด้วยมีตนเป็นสําคัญเป็นผู้ให้อุบายนี่ทางเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็ บ, บัณฑิตภายในได้แกอุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อกุญงามความดีแกตนนับแต่พื้นแ่งกุญงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนเยล ออกจากจิตใจของนเป็นลำดับลับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แกม่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงยมุิเรียกว่าจอมปราพที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราบ ได้เก่บผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายจิตใจคือพระรหัตสิ้นจิเลตอาสวะโดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังไมครบคนทานทั้งคนผ่านภาย น, น, นอกทั้งคนผ่านภายในปณิตานันจะเสวนาครบบัณฑิตนักปราชุดูเฉลียวฉลาดทั้งภาย น, นอกและภายใน พยายามปิดตัวให้มีความเฉียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณิตนันปาชให้ครบผู้นี้ให้สังสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกําลังมากขึ้นโดย ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละําดับตําดับเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านเรียกว่าเป็นมงกลอันสูงสุดนั่นมีข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะดัชนงังเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่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 น, นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกและพยายามทำให้แจ้งซึ่งมกักผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอาณาคาอารหัตตผลขึ้นภานในจิตใจของตนนี่ชื่อว่า เป็นผู้ทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุดนในมงคลชีณีที่ในมงคลลัทธที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ธรรมสาคัญสาคั ญ, คญทั้งนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี่ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในแยกเกี่ยมกัน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 แม้ไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนันเทศจงกระทั่งโพลปรินิพานทางในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทียวปัญหากังตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหานแนะนำสั่งสอนเทวดานะชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบั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 พระ อ, องค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทรมยมยากตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจํากัดขอบเขตมากมายก่ความพุทธภพจริงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยพระพุทธเจ้าที่ทําประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเทบุตรเทวดาอินทรมอะไรต่ออะไร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 วิสัยข อ, ของของศาสดาทำมาได้ตลอดทั่วถึงขณะพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล่มลุกคู่ครานให้กิเลสปัญหาเหยียบย่ำทำลายขี่รถเยี่ยรถบันยังขำคืนยังลุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหมอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่สถานที่นั่งภาวนา นอนพอน้ำมันก็ขี่รถเยีะยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นส่วมเป็นฐานของกิเลสจันหาทุกเรียบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาหนสิมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าว่าเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องพร่ำสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถ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 ขี้กับเยี่ยวของกิเลสคราเขาเต็มตัวมีอย่างเหรือมันโศปโกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทําไมมันที่รถเยี่ยวรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความขายะดขยงต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอด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 เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ที่รดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี้รดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทําไมเราจะทําไม่ได้ทริปมันใหามันเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเลยอเอ้าวพยายามน <laughs> ี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้งําห้องถาของมันมองไปไหนมีทอห้องน้ำห้องถ่ายห้องส้วมห้องกิเล็กมันก็น่ากระโดดสำเร็จเหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดี แต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละไมนอยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยที่มันแก้ขันออกว่ากิเลสมาเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นไทยแนละ้วมันก็มีทางแก้กันได้ฮะอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเอง <c oughs> นี่เสียงอันนี่ขึ้นมาแล้วเทศไม่สะดกแล้ววันนี้ พูดลรืงการแก้ก็กมมนมีอะไรที่จะแก้ยากยี่งกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพ่อของความโลภมีที่ไหน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 มันจะไม่มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากม า, กายกลกองงนักถค่อยอับเฉาหรือค่อยลุกยอดตายลงไปโดยลำๆๆดับๆจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายนาจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้งสามประเภทอันใดโตนี้ให้หมดไปจากใจ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 นี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังมาแล้วพอสมควรเดลารับผ่านอบรมจากอาจากย์ทำได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยบางออว่าจากครูจากอาตอาจารย์พอสมควรปัญหาอันใหญ่ก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญา ทันกับปนมยาของกิเลสซึ่ง 100, 000, 000ร้อยเล์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมที่มีอยู่ภายในาจิตใจของเรา้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในาจิตใจเย็ยนใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเยน็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่า สุขอย่างสม่ํำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอาการิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่อะ่ะท่านเรียกว่าความสุขของปราชับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันอาหารทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงต่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมา ไม่เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใจหมดป่าช้าไม่ต้องมาวกเยน็นให้กายเกิดกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยในกับเหมืดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ชี้เรียกว่าวัฏฏ์วนไปวนมาตัดกรงจากวัฏฏวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันร้นทนนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลี่ยฉลาด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 ถ้าอาทิตย์น่าจะถูกเมฆปิดบังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่เต็มานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกาได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งหนเหตจว่าจิตใจของเราที่ถูกที่เดียดพุ่มห่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลย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 ทำพรนิพานให้แจ้งอย่างประจักษ์นี่ก็เอตัมมังคาโมตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่ยงกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการทำนิพพานให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิ์แห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุด ทำใเห็นประจักษ์กับใจของเรานีเราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนโลกอย่างเป่าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนกินโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่ที่หัวใจเรานี้นำโอวาทนั้นละ่ะเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือ แก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้นๆนแล้วธรรมะของบุริเจ้าแม้ต่างๆเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถน น, นทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนบุรีเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารบหลักใหญ่แล้วปลีกย่อยคารบลบไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว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 พอท่านได้มาโอ้โหนี่พระกระชายนะาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทยาานออกแล้วเอายะพระกระายยนะันั้นเน็บไว้บนที่นอนท่านท่านกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มีความหมายแค่ไหนพระกจะายยนะันนาจะมาทําเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่หนละเมื่อถึงใจและถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็น ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเล่นเหมือนตุอผูุ้ชนคนหนาเหยียบนุ่นเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่ลูกก็ลูกๆคำคำงูปลาปาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักป่าท่านเป็นอย่างนั้น <c oughs> อา้อาอีกแล้วคีอ โอ้อละหยดเวังเืออะไรกันอู่